ได้ทุกแล้วอะไรเพราะสิ่งที่ผ่านพ้นมาคราบน้ำตาและร้องไห้หมดไปกับกาลเวลาน ได้ยินคำที่เธอเก็บไว้อยู่ในใจทุกวันหรือฉัน ไเหลือแล้วใครหากวันนี้ฉันได้รับกับคำตอบที่ร้องหหยตัวฉันคงต้องหมดลมหายใจ ได้ไหมขุดออกมาจากใจให้ฉันได้ เมื่อแล้วไปหากวันนี้ฉันได้รับกับคำตอบที่ร้องไหาตัวฉันคงต้องหมดลมให้ใจไปจาก